เอชเอนเทอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอเรื่องราวแห่งความรักการเสียสละและการให้อภัยแม่สเสรียงที่รัก นายจะโทรหาใครก็โทรหาสูกนะจะโทรไปให้อารมณ์เสียทําไมวะฉันต้องการได้ยินจิตปากของเธออืแล้วการแต่งงานใบนี้่ะมันยังเดินจันไม่ได้แล้วไงก็ได้นะแต่ฉันต้องการได้ยินจิตปากของเธอไงเพื่ออะไรวะไม่มีเหตุผลนะเฮ้ยแต่นายจะเสียใจหนักกว่าเก่านะเว้ยะเป็นไรใช่ไม่ตายง่ายหรอกนายแน่ใจนะแน่ยิ่งกว่าแน่ยังนะฉันบอกให้แต่ว่านายเฉยไว้เะนะ เช็โทรหาสุให้ได้เว้ยว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนทำอะไรก็ตามทีเถอะตามใจแล้วกันในเมื่อเตือนด้วยความหวังดีแล้วไม่เชื่อก็ตามสบายแต่ก็เตรียมรับมือกับความเสียใจไว้ก็แล้วกันนะเพื่อนนะเออฉันทนได้แล้วเดีเชิญเลยเชิญโทรหาเธอได้เลยตอนนี้กำลังเหมาะเลยเว้ยพระสง์องค์เจ้ากำลังให้เสียให้พรไม่อะพูดเลยโอเคโอเคไม่พูดก็ได้ เปล่าวะติดแต่ไม่รับสายไม่ยอมรับมากกว่าละมัง้งเออเดี๋ยวก็รู้นะเฮ้ยนี่ไป น, นะเพอนมีคนทับสายแล้วละ่ะเคลียร์เลยนะเพื่อนนะเคลียร์นะฮัลโหลเทพมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวฉันโทรกลับดีไหมไม่ได้ไม่ได้อ่ะต้องคุยกันเดี๋ยวนี้เทบเป็นอะไรอ่ะทําไมต้องทําเสียงดุกระสุนด้วยแค่นี้ยิ่งน้อยไปนักสุดคหยิ่ ง, ยงคุณเนี่ย ไม่ต้องว่าแบบสาเสียแทเสียดี่ภาษาไกใจอ่ะทพทำไมถึงได้พูดอย่างนี้นะคะคุณหนีผมไปแต่งงานกับคนอื่นได้ยังไงอา้าวคุณเพิ่งรู้เรื่องนี้เหรอะคะมาครับ่มยังไงผมเพิ่งกลับมาจากอเมริกานะแต่ว่าการแต่งงานของฉันนะ่ะส่งถึงคุณเป็นเดือ น, อนแล้วนะคะคุณก็รู้ดีนี่นะวผมอยู่อเมริกาอืมไม่เป็นไรอะ่ะรู้ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะทำไมถึทงทํากับผมแบบนี้สุ ผมต้องผิดอะไรเทพคะเรื่องของเราเนะ่ะเคยเปิดอกคุยกันแล้วนะคะสุเคยบอกคุณแล้วว่าเราไปด้วยกันไม่ได้เขาเป็นใครเจ้าบ่าวของสุนั่นเลยคะอือเ้าเป็นนายทหารเรือคะ่ะมีหน้าสุถึงได้กระยิบกระดามันปลากระดีได้น้ำเทพทำไมต้องว่าสุด้วยล่ะหรือไม่จริงอ่ะเทพคะเทพต้องยอมรับความจริงนะคะเทพเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเอง สุพยายามถามตัวเองหลายครั้งแล้วว่าถ้าสุแต่งงานกับเทพแล้วเนี่ยเราจะไปด้วยกันได้แค่ไหนสุจะทนความเจ้าอารมณ์ของเทพยบได้หรือเปล่าแล้วสุก็ตอบคำถามในใจตัวเองได้แล้วด้วยการทิ้งผมไปแต่งงานอีกคนนึงสุกับเจ้าบ่าวนะี่ะไปด้วยกันได้ดีค่ะเหรอค่ะดีก็ขอให้สุมีความสุขก็แล้วกันอย่าคิดมากนะเทพแน่นอนอยู่แล้วอย่าเสียใจนะไม่มีวัน คนอย่างฉันไม่มีวันเสียใจกับเรื่องไร้สาระเด็ดขาดเรื่องไร้สาระเหรอเทพใช่เรื่องไร้สาระพะมากเลยด้วแต่ว่าเทพคะแต่งงานกันแล้วน่ะเขอยู่ที่ด้านถาวรสินะก็คิดไว้อย่างนั้นน่ะคะ่ะขอให้มีความสุขกันแล้วกันเทพจะไม่มาเที่ยวสักครั้งเหรอคะไปแนะ่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ทําไมคะทนที่สุดแต่งงานกับนายทหารเรือไม่ได้หรือไงเปล่าถ้า ง, งั้นทําไมล่ะผมไม่ว่างไป โอเคค่ะไม่ว่างก็ไม่ว่างส่วนก็อยากจะอวยพรให้เทพนะ่ะพวะผู้หญิงที่รู้ใจแล้วก็ทนความเจ้าอารมณ์ของเทพได้กันแล้วกันนะผมจะถือว่านี่เป็นคำอวยพรค่ะบ๊ายบายนะคะสวัส ด, ดีวเฮ้ <Okay. S 2> <c oughs>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 ที่ฉันต้องการเธอคือแนที่สอง เงาใจอยากจะมีใครที่จับมือกันเดินไปในคืนที่นตมันเหมือนความเปล่าไม่มีคนเข้าใจเมืไม่เคยเจอใครสักคน เคมีคนที่เคยมองตากันแต่ก็ไม่เคยสนใจอาจจะเคยมีคนที่เดินเคียงกันไปแต่ก็ตัวเหมือนไม่มีก็ชีวิตฉันยังวางเปลา่าไม่มีคนเคย ฉันต้องการแค่แคใครสักคน ช่วยให้เงาทีมีดิจางหายไปช่วยเป็นแสง ส, สว่าง ห, หัวใจยจะขอแ่สกคนที่รัก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 อยากจะขอแค่ใครสักคนที่รักใจ ใครใคเข้าไปยังมาปลกใจเลยที่มมีคู่ครอง หมันน่าลาย ไ, ไมีกล้าใกล้เจอสักทีเจอกี่ครั้งก็ยังเป็นอยู่เช่นเคย mm hmm. คุยกับตัวเองทำไมต้องกลัวเจอที่ไร้ใจมันเต้นรัวจ่งที่บอกกับตัวเอง ใจ รับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation e เ t e r t a i n m e n t ใจเย็นๆนะเพื่อนนะบ่าให้นี่ฉันเข้าใจนายดีนะ เรื่องผิดหวังเรื่องเสียใจร้องไห้ถึงแม้มันจะไม่ใช่นิสัยของลูกผู้ชายก็ตามนะแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่ต้องแคร์ใครแนละ้วร้องไห้ออกมาให้หมดเลยระบายความอัดอั้นตันใจออกมาให้หมดเลยเทพอือร้องไห้พอนะแล้วหลังจากนั้นนายจะได้ไม่ต้องร้องไห้อีกอยังไงนายจะไปกับฉันเมื่อกี้ไปไหนเปืไปหัวหิน ว, ว่าไงนะเพื่อนนี่นี่นายร้อฉันเล่นใช่ไหมข่าวจะพูดจริงฉันจะไปหัวหินไปเพื่ออะไรวะเพื่อไปร่วมแสดงความยินดีกับความสมหวังของแฟนนายแล้วก็แสดงความเสียใจกับตัวเองที่ต้องเป็นฝ่ายผิดหวังอย่างงั้นเหรอเพื่อนเอ้ยไม่ไหรอไม่ยังไงสู่ไปไดเป็นแฟนฉันอีกต่อไปแล้ะก็รู้เพราะสุวัสรีเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้น ตั้งแต่ที่เขาขอเลิกกับนายแล้วเนี่ยมีแต่ น, นายต่นนั้นแหละที่พยายามรักเธอแล้วก็รั้งเธอไว้ฉันนึกว่าสักวันหนึ่งสุนทรควรจะเข้าใจความรู้สึกของฉันไม่มีใครเข้าใจเราเท่าตัวของเราเองหรอกวะแล้วก็ไม่มีใครยอมรับเรามากกว่าตัวของเราเองเหมือนกับเรานะเทพเราเข้าใจกำมรสันดาลของตัวเองดีแล้วก็ยินดียอมรับกำมรสันดาลของตัวเองได้อย่างไม่เคอะเขินด้วยเรื่องนี้เรื่องจริงนะเทพนะ อืแต่ถ้านายอยากมีใครสักคนคนคนนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าแฟนหรือว่าใครก็ได้ที่จะต้องเดินทางไปกับตายนา้ควรจะแคร์ใครคนนั้นมั่งฉันไม่ได้ให้นายนเนี่ยเปลี่ยนนิสัยตัวเองซะทั้งหมดนะเว้ยแต่อยากให้นายเนี่ยรู้สึกรกะ ง, งับอารมณ์ร้อนมั่งก็อทอนนั่นเองจะเข้าใจเฮ้ย hey, นายเข้าใจที่ฉันพูดจริงๆแตนี่ฮะ อืมจริงเหรอเพื่อนก็จริงสิรู้ว่านาไม่เชื่อที่ฉันพูดหรือไงอ้าวเชื่อสิเชื่อเชื่ออฮะเป็นไงดีใจหรือยังถ้านายทําได้อย่างที่นายพูดเนี่ยฉันก็ควรดีใจไม่ใช่เ ห, หรอฮะแสดงว่าที่ผ่านมานะี่ฉันเป็นคนเจ้าอารมณ์มากสินะความใจร้อนของนายเนี่ยบวกด้วยความรื้อรันที่ไม่มีใครเหมือนเ น, ยนายย่อมรู้ตัวเองแล้วนี่นะใช่ฉันรู้ตัวเองดี ทีฉันดันทุรังภาษางานต่อที่ต่างประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งนั้นก็เพราะความรานของฉันเองเหมือนกันฉันเป็นใจร้อนโดยไม่ยอมฟังเสียงใครแม้แต่สู่เองก็พยายามห้ามใช่ละแล้วลเธอขู่ฉันซะด้วยเพื่อนฮ่สู่นั่นเหรอขูนายอืมใช่เฮ้ย hey, ขูว่าไงวะก็ขูว่าถ้าฉันไปต่างประเทศจริงๆเรื่องของเราเปน็นอนว่าจบกัน ตอนนั้นเราไม่ค่อยลงรอยกันแล้วล่ะอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เอง อ, ปอไปไว้เพือ่อนเดี๋ยเดีย๋ยวเดี๋วจะไปเดี๋ยวนี้เลยอ่ะแล้วเรื่องงานที่บริษัทละ่ะก็โทรให้ผู้ช่วยดูแลไปก่อนสิก็แค่วันนี้วันเดียวนะไม่ทำให้บริษัทฉันล่มจมหรอกนะไปเร็วเข้าเย็เนเย็นเพื่อนเย็นเย็นมาสิ้เสาเย็นจิตโถแหมแใจร้อนไปได้ ครับออเทพมากินข้าวเลยลูกผมไม่กินแล้วแม่อา้าวทาไมล่ะลูกผมต้องรีบไปฮะกี่ด้วยก็ต้องรีบไปเหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย ว, ย ว, ยวจะรีบไปไหนลนะลูกแล้วแล้วนั่นหอบกระเป๋าเดินทางไปไหนล่ะนี่อย่าบอกนะว่าจะไปนอนค้างที่อื่นน่ะครับแม่จริงเหรอครับแม่เทพจะไปไหนลูกผมจะไปหัวหินกับกี่ฮะหัวหินเหรอเทพจะบอกแม่นะที่ลูกตัดสินใจกระทันหันแบบเนี้ย ก็เพราะเรื่อง อ, อรเรื่องเรื่องสู่แต่งงานครับแม่โธ่นี่มันอะไรกันนะเทพแม่ครับผมไห้นะอย่าห้ามผมนะฮะเทพแม่อยากจะเตือนนะลูกอยากจะห้ามนะลูกนะแม่น่ะเป็นห่วงลูกมากรู้ไหมขอบพระคุณแม่มากครับแต่ถผมโตแล้วนะฮะผมมีสิทธิ์พอดยั้งคิดยังทาได้นะฮะถ้างั้นเทพไปทำไมล่ะไปให้ตัวเองรู้สึกเสียใจไปมากกว่า น, นี้หรือไงไปร้องไห้ซะให้พอ แล้วจากนั้นผมจะให้เลิกร้องไห้เพื่อผู้หญิงอีกเลยเทพผู้หญิงที่เขาจริงใจแล้วก็รักเราจริงๆยังม่เยอะแยะนะลูกอย่าเอาเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มองไม่เห็นคุณค่าความรักของเราอ่ะเพื่อมาทำลายความฝันอันยิ่งใหญ่ของอนาคตของเราสิลูกมันไม่ยุติธรรมต่อชีวิตของลูกเลยนะผมเข้าใจครับแม่เข้าใจแต่ก็ยังไปใจร้อนไปแล้วนะรู้ตัวหรือเปล่าลูกผมไม่ได้ไปฆ่าใครนะครับแม่แต่ว่าแม่ครับผมขอร้องแล้วนะฮะก็ได้อยากไปก็ไม่ว่ากันแล้วริงข้าวะก่อนไหมลูกอ๋อไม่ครับไม่ โทเอ้ยแล้วก่ันสิอาหารมื้อเนี้แม่อุตสาห์ลงมือทําเองนะเพื่อลูกชายคนเดียวของแม่นะเนี่ยไปไปมามาแม่กลับั้งมานั่งทานข้าวคนเดียวตามเคยเหรอขอโทษเลยครับแม่ผมไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้ฮะช่างเถอะไม่ว่ากันอยู่แล้วลูกเราจะรีบกลับมานะฮะไปยังไงอ่ะไปคนเดียวเหรอให้กี้ไปด้วยฮะพ่อกี้ครับป้า ฝากดูแลลูกป้าด้วยนะจ๊ะป้าไม่ต้องห่วงนะฮะผมจะดูแลเทพเป็นอย่างดีเลยครับขอบใจมากจากก้ะกี้ขอบใจจริงๆลูกคุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี่โปรดเขียนไปสนิยบัตหรือจดหมายแสดงความคิดเห็นของคุณมาถึงเรา